เป็นธรรมดาหนึ่ง n ัวก็แต่ละก็ได้แต่ไม่เชี่ยไม่ไม่เชี่ยที่นั่นไม่ใช่ต o วต e ตัวค n ไม่เชี่ยเรื่องต่ี่ย สัญญาเข้มาเที่สองขานเมาเที่งาเขที่งูก็ชตัวตนเนาก็้มาใช่ตัวตนญญาเข้มาช่ตัวตนสองขามีญาเามาใช่ตัวตนเจ้าเจาทรงสอนสาวกทั้งหลายเรื่อีเป็นส่วนมากสาวทั้งหลายก็รเรื่องนี้เป็นส่วนมาก เวลาดูศาสนาเราจึงเามาสวดมนต์ตอนวัดตอชาตอนเยน็นเมื่อกองมาอมาสาธยายพระสวดจะได้ซึมซับก็ไปได้ว่าเมื่อใดความไม่มเที่ยงเกิดขึ้นเจ้าถือว่าเป็นทุกข์เป็นตัวเราเป็นทุกข์เกิดขึ้นเจ้านึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา ให้ชี่หน้าเลยทำนายไว้ก่อนแล้วขณะใดที่มันเกิดขึ้นรู้แล้วอ่อยแม่เคยรู้มาแล้วถ้าไม่เคยรู้นที่ใดเคยรู้มาแล้วยู่วัป่รวนโตโนองอเอาตามไปปวพอวดตัวเองให้อาศัยฟัมรูกคนได้ยินการได้ฟังจะช่วยตัวเอง ที่พเจ้าทรงสอนปฏิบัติได้ให้ผลได้เป็นของลึกซึ้งรู้ทันทีเห็นทันทีไม่ใช่ลึกล้ำพระพุทธองค์คงไม่สอนให้คนหลอกดำดินเบนบอลไม่เห็นตัวหน้าต่อตาไม่ได้ เป็นหมายความเป็นทุกขความไมเที่ยงความหลงความรู้แก้หมายแล้วก็ต่อหน้าต่อตากรรอยู่เแื้อเกี่ยวข้องกับสิ่งานัา้ น, นอย่า ง, างไรมีสติให้ต่อมาถ้าความหลงไปความหลง เ, งลงเรียกว่ า, าต่อมาแล้วถ้าความหลงไปความรู้สึกตัวเรียว่าไม่ต่อมา วายะทํามาสังฆราปรมะเนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงจำวามไม่ประมาทะถึงพร้อมเวลาเราหลงมาสุกมนทุกข์มันไมเที่ยงไม่มีสตินั่นแหละไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายต้ไม่เป็นทุกข์เพราะความหลงนะหรือเป็นสุขเพราะความสุข ก็เป็นสุขภวังสุขเป็นทุกภวกังทุกนี่ว่าตายไปแล้วไม่ปกติแล้วชีวิตเราต้องมาเป็นอะไรจึงเป็นมาตสถานของชีวิตต้อง ม, มีมาตรฐานอะไรที่เป็นแช่ได้ต้องมาตรฐานถ้าที่ไหนไม่ได้มาสถานมันใช้ไม่ได้สองปลอมเราจะมา ไห่เห็นได้ไหมได้ไม่ก็ะสุดก็องสอนนลอยตั้งกายตรงตั้งได้ไหมกายเนี่ยไม่ไห้ทาหลังกดหลังงอเยอยูอยที่ไหนลดยอากาศมุดไปในดินไม่ใช่อย่างนั้น การคู่แข่งเข้าการเกี่ยวแข่งออกทำได้ไหมเจ้าสอนอย่างนี้มีสติคู่แข่งเข้ามีสติคู่แข่งออกเยี่ยวแขนงออเจ้าสนอย่างนี้ล้วก็ทำอย่างนี้เราก็ทาได้ทุกคนไม่มีใครทาไม่ได้พมันมีค การพ่วงสอบราวาหนาคืบนี่มีสัญญามีจิตใจตายก็ต้องให้ตรงองรมสติให้มั่นเวลานี้เรานั่งอยู่เวลานี้เราคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเวลานี้เราเยีฉันออกรู้สึกตัวเว่านี้เราหายใจเข้ารู้สึกตัวเวลานี้เราหายใจออกรู้สึกตัวพอนเนื้อมันในมัน มาเป็นตำลาเอาความรู้จากตัวนี้ต้อมรู้สักตัวนี้มันถ้าไม่ประกอบมันไม่เกิดเอาเดินปีๆมาเท่าไหร่เอาเค่อนไหวมือ ป, ปีๆมาเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักไม่ได้เจ็บออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ไมมีอะไรแล้วมันฟรีมาทั้งหมดในชีวิตเรา ชีวิตฟีมันหลงหมดฟรีไปแล้วความพอเป็นจินแล้วควทุกข์มดรีไปแล้วความทุกข์หมดเป็จรินแล้วความสุขก็ฟรีไปแล้วความสเป็นจแล้วจริงไหมมีความสุขกี่ครั้งกี่หอนมีความทุกข์กี่ครั้งกี่หอนถ้ามาให้ล้อมตาดูมันไม่มีเบลเห็นว่ามีจริง มันมีทำอะไรมันมีธรรมาชาติมีอาการมีธรรมาดาเอาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันจึงอยู่ได้ถ้ามันมีอะไรแยงไปกว่ามันก็นอ ก, กนเรื่องี่ถ้าเป็นความสุขที่จริงบางคนก็ว่าโอ้ยดิ่เหล้ามอยาไปริงข้าที่นั่นก้อนหลังกับแตงกวาใ น, นความสุข สนุกเกือบตายเขาก็พูดอย่างนั้นตอน้สนุกเกือบตาไม่ได้หลับได้หลองกอถออันนั้นเลยุดอ่ะนันก็ไม่ใช่คเรื่องนี้เคยมีคู่วัรู้ทงตอพูดเจ้าหนุ่มเจ้าสมลาลพระารบตแต่ก่อนรกติจักอคลานะวารีเป็นหนุ่มเจ้าสมราล นักเที่ยวจริงเพื่อกหน้าที่ใดไปที่นั่นจีสีดีเป่าที่ใดไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นนางเต้นสองงามอยู่ที่ใดไปที่นั่นแลกัก็ให้ของอะไรต้องพอแต่หมอต้องสว่างไห้หลอดให้นอนก็ไปอย่างนั้น ไมวันหนึ่งไปดูนางเต้นสาวสวยสาธิบวตเนี่ยเอาปฏิจจสม่ให้รางวัลเหมือนทุกครั้งโอกัรานะให้แล้วให้เราเพื่อนเด็กหลายคนก็นให้แล้วให้เราเคลียร์ตกมืออะไรต่างๆสาธิบวตเนี่ยนั่งเฉยโอกัรานะไปถาววมว่า เพื่อนทำไมไม่เห็นให้รางวัลให้ฟงมาล้างแจกแฟนนางต้นนังหลอมะที่เราก็วันรุ่งวัง่าวันนี้ดูแล้วตอนที่มาเต้นอยู่นี่อีกทีปีจะเต้นหน่อยรือเปล่ามันสวยๆออกมามันอีกทีปีจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า เราก็มานั่งอย่านี้เราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดูคนก่นแ่เราพแม่ก็ไม่ไดมานั่งอยู่กับเราแล้วหลายคที่ไม่ไดมานั้นพวกเราหลงหรือเปล่าทำไมจะมัหลงเรงนี้กันิไปฉะสาธุกข์เออใสความหลงนำมาเป็นบเรนของตนเอง เอที่สุก so, ็ชวนกันไปอ้อมกอแล้วก็ไปลวมหาเร่งนี้อย่างเดียวเลยเสื่อมละมามากแล้วเราไปหาครูอาจารย์เถอะชวนกระณาอาจารย์สนใจเวลาตะพดฝกรมาทานที่นั่เรียนรู้เรียนรู้จากความหลเรียนรู้จากความจบเรียนรู้จากความทุกข์ทำาเป็นประโยชน์ แบบนี้เราก็ต้องไปตามนั่นเรามันหลงว่ารู้สุดตัวทัทีเนี่ยวันสั้นๆย่อๆเข้ามางานศบกันทุกว่ารู้สุดตัวเนี่ยมีแต่ลูกคนตั้งใจนห้เจอมีความรู้สุดตัวอยู่ที่กายเอามันหลงไปอีกอ่นแล้วดีมันหลงมันเจอที่รู้ประนองไปนี่มันทําได้ มันไปยากเวลาเราหลงรู้สึกตัวเนึ่งมันไม่หนักอะไรแต่เวลาเรากระเรื่องนั้นไม่หัดถ้ามันรู้ในเวลามันหลงก็เลยสูญเปล่าไปเลยต้มหลงก็ใย่ออกน้าออกตาคิดจึงใดทำสิ่งใดพูดจึงใดอะไรก็ออกประจากคขมหลง องค์หนวงพ่อเจาของชีของหล่อกคเมื่อฝันตัวมาไว้ชีพตั้เคยเป็นความกังวเป็นตวผองคแนไปเจ้าสองขาใ้จบความชิงขยันขยันตรงอจะสองขาปิดาสงขาั้นเราก็เลยไม่รู้จ ข้าพเจ้ามันม right? ันไม่เป็นธรรมชาติตัวร่างเีมันคยอนธมชาติเจผู้ถูกปกครอเช่นความโกรธก็พอใจในความโกรธควทุกข์พอใจในความทุกข์ความลับก็พอใจในความลักความจากพอใจความจำตรงทั้งนั้น คนยาพิสังขารต่สังขารคือสุสนุกสนา น, นปัย ญ, ญาพิสังขารสังขารคือทุกข์ทุกข์เกิดร้อนกวนกบยมันยังปงอยู่เช่นเก่าไม่ชินแล้วที่ดีกอดอยู่ประเทศไทยไปประเทศอื่นมันยังโกะตามไปมคืนก็มาปุง จนอม่หลับจนทีวม่ได้ผนใจหาชีวิตที่ปร่ใจการตรงตอนหยุดเขาฝ่อมก็ผ่อนใจก็เลยเคยชินเ้อะเลยเป็นที่ค่าของสังขารเป็นธาตุของสังขาแต่สังขารนี่เปรียบเป็นิา ทั้งๆคือการปล่งวิังการทื่ยุทธอเอาไม่ต้องไปคุมที่เป็นคำพูดแต่ว่านี่ทำงานตานนีเดี๋ยวนี้เห็นไหม่าสังขารสังขารตอนธรรมชาตสังขารที่บุะทาน สังขารที ot, und und learn, ่เกิดขึ้นหาังารหมังนทาวรู้เี็นรู้ควาไปเฉลยจากเหตุออกจาวเหตุเอาผลเป็นเรื่องไปเกี่ยวข้องออกจารความเป็นฐานเป็นติ๊งฐานนั้นก็มีอยู่มีสติมีกายเนี่ยออกาปเป็นฐานออกากวัจนะาออย ลักเไว่เราเอาไว้มันเรากาะสหลับตอนน้าไหลเขี่ยวแน้ำมันไหลขังขามไปนไหลขังทะเลไหลไปเรื่อยแล่เราก่อหลับมันไหลไปน้ำใหม่ไหลไปน้ำเก่าน้ำเกาไหลไปน้ำใหม่ไหลมาแล้วก็ก่อหลับนะ ทวต้องทวนอย่นี้เดี๋ยววาทวนกระแสเหมือนประศิริธาสมัยก่อนจะไม่ตัดสลู้เสียทงทรรม่านไหลทวนกระแสนะ น, นั่นเป็นภูกราธิฐานกระถางหมายจังคาจนาทองรองรับรื้นจิตของเราเนี่ยแหละมันไหล ไหลไปนนะไหลไปสํานักบ้านจ่าสินคาอาจจะไหลไปที่หาติพยาราหุนก็จะสนุกกั น, นันในก็จะรับสิงจะเดินทังไหลไปถึงประสาวะรังรูกรน ก, กามาหาที่การวรันี้เรามีการองอาจจะนั่งคู่แันงเย็ดแข่ออกคู่แขนงออกด้วยตัวมันไหลไปต่ ม, ม า, ามาที่การอุาธ มันก็กลับมาแล้วหมอลูกอยงนี้มันจิตมันคดไปมันกลับมานี่ใจมันหลงนลไปก็กลับกลับมานี่มันวาหมอมันก็บอกมาออกมาดูออกมาดูมาเห็นมาเห็นมาเห็นมัใช่เป็นมัใช่เป็นจะบอกมันเป็นมันเป็นแบบนี้มันเห็นมันเห็นภาวะที่เป็นกับภาวะที่เหนมันต่างกันลองพอดูดีดี สัมผัสเรียกว่ายาปักการศึกษาธรรมะไม่ใช่เรียนรู้เงยฝนเป็นการยาปักไปการสัมผัสสัมผัสรดดู้ออกปจมรู้มันจึงจะได้ผลเรียนที่แน่นอนมันต้ต่ไปศึกษาศาสนาเกียเ่ยวเที่ยวหลศาสนา เราอยลิปปินส์ปิลิปปินเนียเป็นศาสตรคิดเป็นศูนย์กลางของศาสาคิดแต่นี่ศูนย์กลางของการศึษามาอยู่เอเชียแล้วมาย่ดูยุโรปอิาแยุโรปอิวัดโบต่างๆล่ล่างหมนไดยไอยู่สหรัปไปอยู่ที่ใดซื้อโบทีมาเป็นวว่า ทำามก่การเต็นออกเรากอทะรูกไปตั้งไว้แต่ว่าเที่ทำแบบที่อสองสชาสองอยู่ดีแน้วก็ชื่อบอทิพชีวิตาำอยู่เส้นืนุยจะมาไหลไปเป็นเจ้าอาที่นั่นก็ชื่อบอทิพ วัาธํมารามชิคาโกโก็ซือโหวคิดหลาัดที่คนไทยไปอยู่ซือโบวคิ ด, นานดมาว่าทํานั้บาลวงซิเตอร์ไม่เกิดอยู่ที่ยุโรปมาอยู่ฟิปนส์แล้วต้องซิเตอร์บารหลอยู่ฟิลิปปินส์หเกยเกียกเอาเลย้สันระเดี่ยเที่ยวทฟิลิปปิน การหวงมิตรสัมพองเขาเข้มาดูเรามาอยู่ที่นี่บาดหวงมาอยู่ที่จุดตัวแล้วอะไรแบบจะปักจะตั้งยเราไปดูชุมชนขอให้เลือกชุมชนพวกพื่วกสลัมบ้าคนมั่งมีบ้า อยับมาตาอะไรน้อไอ้้องชิลละสซงแซกเกร์แซกเรฮ่าฮ่าฮดที่อัตัตเนี่ยก็วันนี้จะไปศึกษาเรื่องอรไปุ่มน้ารู้ไปอยู่กับหลังการเลือกไปที่สลัมคนจนมากที่สุดเชอบอยู่คนจนไม่ชอบอู่คน้วย แต่ก่อนมาเม่กว่าโจทนเหจ้าอตอนตาก็เก่งเหนือจริงเอาเหนือนันสาะามก่งสูจริงไม่น้ำปลากวเตียวกหดใจแล้วครับไปอยู่กับคนนั้นสลับ นี่ออกแต่กระตอกข้างเราไปพักวันนี้พระสามรูกไปดูปกัม น, นี่เลยพระเจดแจ่มันรุ่นราเราอยู่กับไปดูแลก่าฝาม่านก็เอาขยะมาที่บางทีก็เต้นขาดอะไรต่งตางๆผ้าอะไรเทื่ยไปทิ้งเก็บมาที่นอนก็ว่าผมขาดผูนนอนไว้หนอนไม่มีถ้าผงวูอนห้อง ใช่ว่าเกาอยู่สามโกไปุ่มลองดูสิมันจะเจาหานาไหนลองน้ำที่ลองนั่งก็ขาดขาดแตกๆน้ำไม่น้อยขันกขันแตกๆเอามาจากกระจาเปลนจอบเป็นข่าว ตัวตรงไหนก็ค่อยย้องไปเราไปอยู่แบบนี้ไปอยู่แบบจำย้องขบขบข บ, บไปค่อยๆไปไ ป, ไ ป, ไปดูห้องน้ำทำไมไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็เงื่อยไหลค่อยย้อยเป็นทางไปไปเทไปอาบน้ำไปดูน้ำ น, น้ำเชื่อมี เวลาพบข้างแล้วไปดูห้องนอนก็มีผ้าเชินตผมสับางแค่นี้ก็เลยไปจุ่มกันสาโรคเราต้องไม่อ่านาหน้าหมักหน้าจะล้างหน้าจะดื่มก็ไม่มีมีแค่นี้เอไว้ล้างหน้าแต่กันตอนเอาไว้เช็ดห้องน้ำก็ต้องอาบไหลพอดีเพื่อนก็นอน แล้วก็อาดเคยอยู่ในชาพเท่นนั้นเพรว่านั่งไปหมักข้ามโวยไปแค่พอยไปอาดเอาเจวสเตนเลสแค่นี้อันนี้หูสาหรับใส่กับของนะั้นไปแล้วก็เตรียมน้ําไปดื่มด้วยเราเวลาเราไปต่างเทศเราต้องเอาหน้าคนน้่ร้อนใส่กับจุดแค่จน ก็เด <gesch> ินของเราเองกติกขันแล้วเรก็จบที่มันอยู่ในกติหน้าเราเป็นกระป๋อมกรหน้าบเราเข้ากนั่ห้องตั้งใจดีๆหจะอาบน้าสักห้เชวไม่เกินเนี่ยจะได้หรือเปล่าเราก็บอกวเาต้องไ ข้างในาแขนก็ต่อยแต่นั่งเลยรีมหัว่าสออกูอมุนพานัําไปเอ่อไม่ใช่นั่งไปที่สักมิตเดียวไม่เมีเลยเียวเชื่อว่ามันะไปดู่ น, อยอยนลุกลุกไปลกปเอาหมุนนีจับที่ไปลุไปไปเอหุนี่จับทีลจ่อท่ันั่วตัวเสกูพะ สบูกับน้ำไป้องกันไลไป้องกันแค่อยขูดูดจนแห้งจสบู่แห้งจนน้ำแห้งเอาอีกแก้วที่สองค er ่อยืจนอึเ็จเลยแก้วที่ห้าไล่ไปต่อไเรอย คื่นทะเลน้ำหมาถล่ถพัดหมากระทบป่าประเด็นไปปานี้ป่านน้พ้นเป็นละอองเป็นยืนอาหารก็เดืยวร้อนไปอยู่คนจนเนี่ยเราวัดเราบองเอาไปจุ่มความทุกข์เอาไปจุ่มความสุขมอนจะเป็นยังไงไปจุ่มวามยอดของบาปจะเป็นยง มันก็ไม่ต้องมาหาที่ใดบางจุดในเรานี่ยเรามําใจยังไงเรามันหลงทำยังไงเรามันทุกทำยงไงเรามันโกทำยังไหลงไหยเรามันยากทํางไงเรามัน่ายทํามาหลงหมพอใจความห่ายหรือเว่ามันยากไหมพอใจหรือใจมันติดหรืมันใช่มาได้ไหมมาตรฐาต้องไม่เป็นลายไม่เป็นลาย ทำได้ก็ไม่เป็นไรทำมาได้ว่าเป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรถูก็ไม่เป็นไรทำใจแบอย่างนี้แต่ไปผู้ผู้เหยื่อเย่อผู้ผู้เห่อเห่ผิดก็เอาผิดเล่าโตก็โตกเล่าเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกันใช่นะปฏิบัติธรรมเห็นมันเตุมันผิดก็จะได้เหตุมันสุขเหตุมันทุกข์เป็นจริงใช่ได้ยึดเราไม่ใช่แต่เราไม่หลอกก็หดอกเราะเราไปตลอดเวลาเรื่องโลกนี้ เรามใช่อยู่คนเดียวเราอยู่กับเราชีวิตต้องฝึกให้มันแก่ก็ให้มันมาจรถานให้เป็นมิตรภาพเข้มแข็งเห็นใน <c oughs> ตัวเราเรืยองพอแล้วถ้าลูกอยู่ตัวเราเพียงพอแล้วแล้วชวยอ่าศึกาคนอื่นมันออกไปจากเรานีจะก็อื่นหลงเราไปหลงันเขา เกี่ยวกเที่ยวคนหลงกับคนไม่หลงต่างกันมันก็ต่างระดับกันเห็นคนหนึ่งสุกเหนคนหนึ่งทุกข์เราก็ไม่หลงทุกเราก็ยหลงเคยทุกไปรู้ไปจำในใจอย่างเยกขาดมาแล้วนี่อย่างผู้ทีเจ้าสอนอย่างนี้ไว่ใช่สอนให้เราไปรู้เราเฮ้ยนอกตัวเราไม่ใช่บนในศาสนา บนนอกศาสนาบานในศาสนาคือมารู้กายรู้ใจของเราเนี่ยมันเคลื่อนอะไร้าไปรูเรื่องอื่นมันไม่ใช่จะยังหลงตัวเองกเรื่องหอนึ่งก็ต้องหลงแน่นอนเจ่นสอนให้มีสติเห็นการเห็นเวทนาเห็นชิตธรรมเป็นลูกเห็นหนามตามความจริง เห็นลูกทุกเห็นนามทุกการปนจริเห็นโลกโลกนามโลกต้องตามประเมินจริงเห็นสมมติเห็นบัญญัตเห็นวัตถุเห็นดากรรเห็นตรรมัสัจจากรประเมินจริงยังไงก็จะฉันไงมันอยู่กับเราเนี่ยเราก็มีสมมติบัญญัติบางทีสมมติบัญญัติบัญญัติเอาต่างกันคนนี้เราลัาคนนี้เราทํา ฝันอาากถิ่ของอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันเป็ น, มม ส, นสมมติปันญยากไม่ใช่ปรมาจารจะความหลงเป็นสมมติปันญยากความทุกข์เป็นสมมุติปันญยากความสุขเป็นสมมติปันญยากไม่ใช่ปรมาจารย์ความยิ่งมันถือมั่นเป็นสมมติปัญญยากปรมาจามีเมืสมมติความโกรธเป็นสมมติ ก็ไม่โกรเป็นป ร, รมาจา่ยก็ได้คมหลงเป็นสมมติควรู้สึกตัวเป็นป ร, รมารยี่จริงกว่ากรมหลงกับความรู้อะไรมันจริงกว่าการความโกรดกับความรู้สึกตัวอะไรมันจริงกว่ า, ากันเที่ยบไหลการลองโดยอยู่ที่ไหนโลกเนี่ยมัดก็ถูกอารมเนีตัเจ้าตัดส ร, ร, รู้เรื่องนี้ไม่ใช่แตรู้เรื่องใดการตัดสรู้เรื่องอิสร ทุกสัมมาทิฏฐิโทษมั้มันอยู่ที่ไหนหรอกที่จะมีเรื่องนี้ไปอยู่ที่ใดมันอยู่ที่เราเนี่ยทุกเป็นเหตุผลเหตุที่เกิดทุกมันอยู่ที่ใดไปเชื่อที่เหตุแล้วมันอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไปเจนให้คนอื่นไม่ทํำไม่ว่าเรามันเชื่ไม่ได้ เราต้องนัเรา ก, ก็ดูเราก่อนถ้าเราดูตัวเองสอนตอนเองดูแลตนเองด้วยคุ้มดีปลอดภัยไม่มีภยัยชีวิตที่ไม่มีภัยเนี่ยมันชีวิตของประรยาเจ้าชีวิตที่มีภัยก็ชีวิตกุฏชนให้มันให้มันถึงตัว น, นี้ว่า เกิดมาวันหนึ่งก็อยากเสียชาติสองวันสิบปีหกสิบปีก็อยากเสียชาติมันต้องได้ชีวิตแบบนี้กอมหลงไมนใช่ชีวิตเราแล้วกองโกรธไม่ใช่ชีวิตเราแล้วกองทุกข์ไม่ใช่ชีวิตของเราแล้วชีวิตกองหลงมันต้องไม่เป็นอะไรมั่นคงมาตรถานอย่างนี้อะสิ่งเหล่า น, นี้อะไรขออะไรที่ได้ไปชื่อหาจะได้ที่ไหน ถ้าฉันมานะอะไรไม่เกี่ยวอยู่กับ ก, การกระทั่งของเราเองนะต้องอาศัยตัวเองนตะ่ น, น่ะจะอ้อนวอนไม่ได้ต้องมีการกระทาําสิ่งใดไม่ตั้งใจไม่ไมทําเรื่องนี้มันก็เป็นการตัด ก, กรรมเป็นกรรมที่ผีไม่มีผลไม่ใช่อเป็นกรรมกรรมไม่สิ้นสุดเลย ถ้ามีความรู้จักตัวบางประกจนกรมันจะเป็นผลของกรรมเป็นมากเป็นผลได้ก็เริ่มต้นจากความรู้จตัวนี่เลยนะใส่กุญแจตรงนี้เจาะโซ่ตรงนี้ถ้าไม่ดุดตรงนี้ไปไม่ได้ก็เห็นลูกเป็นนามแล้วก็เห็นบุ่นเห็นบาปว่ามีจริงบุ้นบาป บาปไปทางไนงบุญไปางไเห็นศาสนาเ ป, นสนเป็นทางสอนเป็นโทวศาสนาเป็นตัวรานี้สาสนาเจรินเป็นเราเนี่ยมไม่มีทุกข์เลยล้นไม่เปลี่ยนตนไม่เปียนคนอื่นค น, น, คนที่ีไม่เปี่ยนตนแล้วไม่เปลี่ยนคนอื่นแล้วเพรย่อมอยู่นิ่งไม่ได้ต้องไปช่วยกันทำประโยชน์ น, นี่คืเจริน รมีเสียงมีสมาธิมีปัญญ า, าเอเกิดได้เราก็รู้เรื่องมีญาณมีปัญญาเกิดขึ้นยานขนส่งขนส่งอม่ชมอใช่พุทธศาสนาเป็นศาสตานก า, ารขนส่งผนส่งขั้นจบคุณน้องไปสู่ความรู้ ก็ะกลมทุกไปสู่กลรู้พ้นแล้วพ้นไปแล้วนะเป็นขนส่งหรื อ, อ, นะ อ, อ ว, นะว่ายานานะยานั้นยงรู้รู้แล้ว็นทั้งวอมรู้รู้แล้วจนทั้งขนส่งรู้แล้วก็หลุดพ้นยไปสอนศาสนาเขสอนมาอะไรของ คิดศาสนาพรยาพรายามหาเรยไปะยาสัทธิานิ迦โปเทชันเราปเจอป่าหลวงเขาขอหน่วเราไปแค่ไปสอนพระเขาเราก็ไห้องพระเขาห้องประชุมพระเขาก็แต่งตัวมาเลยแต่เสื้อใส่กานเกง พอเรานั่งอยู่ก่อนเเดินเข้ามาประมาณเจ็ดสิบอเจ็ดสิบลูบา้องเเยรานั่งอยู่เขาก็ไม่รูจะนั่งตรงหนเขาก็ถือว่าประมาณระจนั่งกราบนั่ไหวมือนกเราไม่ได้เขาคงไม่ตามแล้วก็ถามเราว่าจะให้เราดั่งไงก็ไดไ เาถามอย่นี้เรานั่งอยูพาะจืนอถามเราจะไม่เล่านั่งยังไงพะอาจารย์เขาบอกว่าอ้านั่งเาอินแะแต่ให้อาตมานั่งสูงกว่าหน่อยจะได้เห็นหน้ากันก็เลยอายู่ึ้นสก็มานั่งนั่งการเดินจะไปเล่น แร้วมันก็จะกินหงูหน้าไม่ออ ก, กปวดขาขาเพอาะมันไม่ปลอดภัน้นองคนไม่เคยเขาไม่เคยมีพระไปสอนผมพอพูดขึ้นที่มานี่ไม่ใช่มาสอนเรื่องศาสนามาพูดเรื่องคน ไอ้บางคนอยู่ที่นี่ยกมือขึ้นยูซิตัมือขึ้นก็จุกมือขึ้นเออคนเอาเงิเราเราเป็นคนนั้นกันรังคนนะาก็อกเเป็นคนนนกันคนเรามีธราติสองอย่างปีศจกับใจ ใช่ไหมใครมีการมีใจอยู่นี่ตบมือขึ้นดูซิงต่อมขึ้นมีการมจอเดมนอกมขึ้นอ่ามรอมีการมีใจเอนกันจะเป็นคนชาตมีการเจอเดอ่าอ้าวอรอมมีการเใจใครมีปัญหาเรื่องการเรื่องใจบ้างเดี๋ยวนี้ตบมือขึ้นดซิ ปัาเรื่องการเแต่องมีมีมไมถ้ามียกขึ้นก็ยกหมดขึ้นหลตาลก็จะหมดตาไยก ก, ก่อนก่อนะเรยกหนตาไมีปัญหารื่อยการเา ร, เรื่จาต้องต้องทหนาต้องิน ต, ต, ต, ต้องกับต้องตายปวแขนปขาเจ็บไข้ดไเดก่วยหรือทุกขดโลกลงปวดอ ใครใครเจอปัญหาเรื่องการเงิตจะหรือว่ายกมาขึ้นดูสิไม่มีใครยกเราตกมาขึ้นหั <laughs> วดีสักหน่อยหัวปีสักหน่อยโ <Okay. S 1> อเดนี่ความที่พวกเราทายังไงก็จะทัางหลายในโรกนี้จะค้นจจอปัญหาเรื่องการเงนจัได้พวกเราเนี่มาช่วยกันขนส่ง นักสอนศาสนากเป็นนักขนส่งให้ค้นจากปัญหากายใจไงจึงใจชื่อว่าศาสน า, ามาใช่นี่เป็นคิดเป็นพูดปฏิจารมิตูมันจะขนส่งให้คนคนหลงคน้นขนให้ค้นจากขนหลงคนทุกขค้นจากขนทุกคนโกรธค้นจากขนโกคนเศรหมองค้นจากการสมองจนไปอิอจฉาเพราะึงนี้มันกงหมายชีวของบนร จะทำงานตรอดร่วมมือ <intent>? กันขออยู่าวสิบนาทีพูดออพูดถึงสีสิบาทียังไม่จบเลยตอต่อพูดทุกวันเนี่ยตนนี้ก็สามทคนที่มันไม่ขอวันดีวันมันต้องหนักกลนะอพูดโอ้ยหมดกระดาเแล้วเอาเทเนี้อ่ะเอหยุดกับไปาหนก็ได้ เราก็ถามปัญหาต่ อ, อีก็ได้ต่ อ, อีก็ได้เราก็ถามลาามมองหน้ากันดีรล้วบ่าซึ่งบางยิ่งเมียนเต็มใจไี่ไดกมองหน้าไม่ออกเขาทำทำตัวมันเป็นเนี่ยศาสหรการขนสบคือปัญญาตัวนีอ่มันหลงคุจะไ่าลงเลยบ้างไหม ค่อเป็นพ้อจากผมหลงมีคนรู้สึ ก, กตัวต่งนั้นพ่นไปพ่นไปพ้นปากทานปากรู้ตัวหนึคนคน่งรู้ข้างหนึ่งก็พ้นจากกบังอะไรนล่มีภาวะที่รู้มีภาวะที่สลงสมยามนี่เสนอกั น, น, นจับเอ๋กันอยว่ตลอดเวลาแล้วก็ทาตอนนั้นว่าหลงหมดรู้ตัวกลับมา เออที่มันทุกข์มันสกุลตัวตัวมันปวดมั่วไู้ตัวตัวเอาตัว น, นี้ไปก่อนเดี๋ยนไม่มาตัวนี้เริ่มต้นเหมือนก่อนมันจะสูงขึ้นน้องโลกจากต่ำๆเหมือนตึกสิบชั้นนี่สิบชั้นติด ก, ก้อนแรกขอขึออออออออ้นกขอเพิ่งขอสูงขึ้นไปถ้ามีฐามเนี่ยตัว น, นี้ขึ้นไปก็สูงให้ทํางนานทีตรงนี้ไม่ยากให้เหลใจ สามารปฏิบัติได้ทวาหน่าทุกคนนี่คือคำสอนผู้เจ้าผู้เจ้ามั่นใจตรงนี้มากต้องทำนะและว่าทำพระผู้มีพระเจ้าตัสไว้ดีแล้ววิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเป็นวิทยาศาตร เพราะทีหว่านได้ให้ผลได้มันจับกระการจริงๆยกมือขึ้นเถอะ น, นี้ก็รู้เลยไม่ไม่รอไม่เดือดเชี่ยวกระดนทีพิกมือขึ้นรู้ทันทีเป็นไม่จับกระกาฑไม่มีตอนเชา้าตอนเดือดยกมขึ้นก็รู้ไม่เหมือนทํามาเรือนการเฉลี่ยเป็นอะนไรก่อนควรจุเงินได้เหมือนมาต้องเป็นเดือนจึงได้รับผลอันนี้คำดีทคำดี เป็นสิ่งที่เชิญมาดูมาดูมาดูเอาม า, าวา้หร้ในรูดจิตัวไหมูยกมนขึ้นแข็งรูดชิตัวไหมมาดูมาดูไอสิ่งที่ควรน้อมก็มาใส่จน้อมบอกของรูน้อม เ, เราไปหาของรูทิ้นตัวก็ไปปัจจังเวทที่เราอยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้ทั้งหม มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีคำถามหลงมาไปถามกครลูกไปขอกครนั่นไม่หรอกายทูเด้อหยัดทูขาดหลงเด้อไม่หอกสายทูเด้อหยัดทขาดดูไไมเลยไม่เกี่ยวเป็นสิ่กรรมธรรมคำไม่ถามแป่สิ่งที่ลี้คิดคิดของเราไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยทำดีดีทเชั่วชั่ว นี่ก็ซื้อมาที่เราเอาไว้นะไปก่อ a เดี๋ยวเรอาไัน